BOOK 2ูเจ็ดสิบห้าสเปนนเหตุผลบางประการคาเปอร์กริสต์เวียนนสทำไมคุณไม่มาคะค d e เดินเ อากาศแย่มากอูรัสตูกส์บลูเกสดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากอัชเนเตซูเนสอูรัสตูกส์บลูเกสทำไมเขาถึงไม่มาคะโคเด i s neteina? เขาไม่ได้รับเชิญโยเนกวิตี ยิ a อิ a ันปาควิสตัสเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญยิสเ k v ตน t นซิโอเนควิตีเ i ซิสเนปาคว i สตัสทำไมคุณไม่มาคะกูฉันไม่มีเวลาอนเลก ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา neteinu, nes neturiu l a i k กทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ k ค d เ l nepasilieki ดิฉันยังต้องทำงานค่ะอชดารตูรุนเดิร์บเดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Aš n e p, s, p si. a š š nu, es es p s สดีกุนสตาร์ตฤดูเดิร์บเตทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะโคเดลยูเซอเชนัตดิฉันเหนื่อยค่ะอ pavargęs, p a v a r g า s i d i ส์ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะอา s อิเชนุเนส g ์สุปาวาร ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะคุเดลยูเซอุฟเจวยเตะดึกแล้วค่ะเย้าวล่ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะอชยูฟเจวยยูเนสเย้วิ่รุณาไปที่ www. b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด